บุญญากริยาวัตถุสูตรว่าด้วยบุญกริยาวัตถุภ ko ิกษุทั้งหลายบุญกริยาวัตถุสามประการนี้บุญกริยาวัตถุสประการอะไรบ้างคือ 1. นบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน 2. บุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล 3. บุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อยและไม่จัดแจงบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณ แต่ไม่จัดแจงบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคดีในมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทําบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจตุมหาราช ภิกษุทั้งหลายเท้ามหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงำเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์วันณะทที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์รูปที่เป็นทิพย์เสียงที่เป็นทิพย์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 เท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงนั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงมเทวดาชั้นดาวเดืองได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์และถึงโพธพะที่เป็นทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำบุญกิาวัตุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิาวัตุที่สาเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นยามาภิกษุทั้งหลายเท้าสุยามะเทพบุตรในชั้นยามานั้นทำบุญกิาวัตุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิาวัตุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้น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 ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดีภิกษุทั้งหลายเท้าสุนิ ม, มิตเตะประบุตรในชั้นนิมมานรดีนั้นทําบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยฐานให้ยิ่งขึ้นทาบุญกิริยาวัตถุที่สาเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้น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 ย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมมิต ว, วัสวัตดีภิกษุทั้งหลายถ้าวัสวัตดีเทพบุตรในชั้นปรนิมมิต ว, วัสวัตดีนั้นทําบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยฐานให้ยิ่งขึ้นทําบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงำเทวดาชั้นปรนิมิต ว, วัสวัตดีได้โดยฐานะสิประการคืออายุที่เป็นทิพย์วั น, นะที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์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 เจ็ดซปุริสถานสูตรว่าด้วยสัปุริสถานภิกษุทั้งหลายสัปุริสถาน8ประการนี้สาปุริสถานแปประการอะไรบ้างคือ 1. สั่งปุรุษย่อมไม่ของที่สะอาด 2. สังซปุรุษย่อมไม่ของที่ปราณีต 3. สัมซปุรุษย่อมให้ตามการ 4. สั่ซปุรุษย่อมไม่ของที่สมควร 5. สัตวปปุรุษย่อมเลือกให้ 6. สั์ปุรุษย่อมให้เป็นนิด 7. สัตสัปปุรุษกําลังให้ก็ทําจิตให้ผ่องใส 8. สัตวปปุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจภิกษุทั้งหลายสัปปุริสธาน8ปประการนี้แหลสับปบุรุษย่อมให้ทานคือให้น้ำและโภชนะที่สะอาดให้ของที่ปราณีตให้ตามการให้ของที่สมควร ให้เป็นนิตในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคอามิตมากมายก็ไม่เดือดร้อนท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สั ป, ปรุูให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญามีศรัทธามีใจเสียสละบูชาอย่างนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขส ป, ปุริสทานสูตรที่เจจบปปุริสสูตร ว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่คนหมู่มากคือ 1. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่มารดาบิดา 2. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่บุตรภัญญา 3. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ท่ากรรมกรและคนใช้ 4. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่มิตรและอมาตห้ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 6. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พระราชา 7. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สมณะพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายก้อนเมฆใหญ่เมื่อตกลงมาให้เข้าวกล้าทั้งปวงเจริญงอกงามย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษเมื่อเกิดในตระกูลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือหนึ่ง ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแกมารดาบิดา 2. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแกบุตรภันยา 3. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแกทาตกรรมกรและคนใช้ 4. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแกมิตรและอมา์ห้ 5. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแกญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พระราชา 7. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา 8. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สมณพราหมณ์สัตว์ปุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนเป็นผู้มีเกียร์คร้านทั้งกลางคืนและกลางวันย่อมเกิดเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเมื่อระลึกถึงอุปการะคุณที่มารดาบิดาทําไว้ก่อน ย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรมสัตบุรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วและมีศีลเป็นที่รักรู้ธรรมแล้วย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือนผู้ไม่มีบาปผู้ประพฤติพรหมจรรย์สัตบุรุษผู้เกืือกูลแก่พระราชาเกืือกูลแก่เทวดาเกลือกูลแก่ญาติและสหายทั้งหลายตั้งมั่นดีแล้วในสัตยธรรมเป็นผู้เกลือกูลแก่คนทั้งปวง สัตบุรุษนั้นกำจัดมนทินคือความตรณีได้แล้วย่อมถึงโลกอันกเกษมส ป, ปุริสสูตรที่8จบ 9. อภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศล ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลแปประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจห่วงบุญกุศลแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งอริยสาวกในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญกุศลประการที่หนึ่งนำสุขมาให้ เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ 2. อริยสาวกเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะนี้เป็นห่วงบุญกุศลประการที่สองละถึง 3. อริยสาวกเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะนี้เป็นห่วงบุญกุศลประการที่สนำสุขมาให้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 นี้เป็นห่วงบุญกุศลประการที่สี่นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 2. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นข่าจากการลักทรัพย์ 3. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นข่าจากการประพฤติผิดในกาม 4. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดเท็จ อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอาริยสาวกผู้เว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวร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 เพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอภิสันทสูต์ที่9จบ<ะ> 10. ทุจริตวิปากสูตรว่าด้วยวิบากแห่งทุจริตภิกษุทั้งหลาย ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตอย่างเบ่าที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์อาทินนาทานการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอรํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์การเมศุล ม, มิจฉาจารการประพฤติผิดในกลางที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอรํานวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน อำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งกามเมสุมิช้าจาย์อย่างเบ่าที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มุสาวาตการพูดเท็จที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ยระชานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาตอย่างเบ่าที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแกผู้เกิดเป็นมนุษย์ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้แตกจากมิตรแกผู้เกิดเป็นมนุษย์ พฤหัสวาจาการพูดหยาบคายที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งพฤหัสวาจายอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าพอใจแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์สัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจอ้อที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรก OK. อํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมภปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ภิกษุทั้งหลายการดื่มสุราและเมรัยที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรก OK. อํานวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน อำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มชุราและเมรัยอย่างเบ้าที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ทุจริตตวิปากสูตรที่10บจบทานวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมานสูตร 2. ทุติยทานสูต ร, ทตทตร 3. ทานวัตถุสูตร 4. เขตสูตร 5. ทานปฏิสูตร 6. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 7. สปุริสธานาสูตร 8. สปุริสสูตร 9. อภิสันทสูตร 10. ทุจริตตพิปากาสูตร โปสถาวกหมวดว่าด้วยอุโบสถหนึ่งสังขิตุโปสถาสูตรว่าด้วยอุโบสถโ ด, ดยยอ่อข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสูจ์ทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุโบสถประกอบด้วยองค์แประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมาก แพรพาารมากเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัสตสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกือก่อนเกลนต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้น่าจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสัสตราวุธ มีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วย อ, องค์ที่หนึ่งนี้ 2. พระอรหันต์ทั้งหลายล่าเว้นขาจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม่นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่สองนี้สา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 ทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายและอยู่จําอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วย อ, องค์ที่สามนี้ 4. พระอาหารหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คําสัตย์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คําสัตย์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่สีน่นี้ 5. พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาจากการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดวันและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม่นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่ห้านี้ 6. พระอรหันต์ทั้งหลายฉันมื้อเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการชันในเวลาวิการอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็บริโภคมือเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนเว้นขาจากการบริโภคในเวลาวิกาลอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบร้รยองค์ที่หนี้ 7. พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี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 อันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จําอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วย อ, องค์ที่7น็นี้ 8. พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ําคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วย อ, องค์ที่แปดนี้ภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วย อ, องค์8ประการที่บุคคลอยู่จาแล้ว ย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ภัยศาลมากเป็นอย่างนี้แลสังขิตตุโปรสทสูตรที่หนึ่งจบสองวิถตุโปรสทสูตรว่าด้วย อุบโบสถโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุโบสถประกอบด้วยองค์8ปประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่า 1. พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสัสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื่อกกลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัสราวุธมีความละอายมีความเอนดู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 ย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างนี้แหละอุโบสถประกอบด้วย อ, องค์8ประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสราธิปดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้น ที่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการนี้คืออังคะมคทะกาสีโกศละวชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชะสุระเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะการครงรากของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8 พ่อนั้นเพราะเหตุใรเพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย50ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชันจาตุมหาราช30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี500ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชันจาตุมหาราช ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยร้อยปีของมนุษย์ เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส0ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2องเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีพันปีทิ่โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8 หลังจากตายแล้วพึ่งไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยสองรปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามาสามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี 2 0 0พปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชัญญามาก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึ่งไปเกิดร่วมกับเทวดาชัญญามาข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบแับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย สี่ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตสามสิราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสี่พันปีที่โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้ว พงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย800ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานารดี30มราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2องเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี8000ปีทิพย์โดยปีนั้น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 1,600 ร้ 1> 1, 600ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรานิมมิตวสวัตดีส0สิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2สองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีหนึ่งันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรานิมิตวสวัตดีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตดีข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบ ก, กับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐ ไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิการในเวลากลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงรูปไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้แลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกทรงประกาศไว้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองงดงามส่งสว่างโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด ก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศสว่างสวส่องแสงอยู่ในอากาศทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดซับคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพยทูลทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชื่อหัตกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นและแสงดวงจันทร์มูดาวทั้งหมด ยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8เพราะฉะนั้นแลสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ทำบุญที่มีสุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์วิทตุโปสถสูตรที่สองจบ